อบางทำกันพูดกับทุกท่านทุกชีวิตอย่าว่าแต่หลับอยู่สิงที่พูดในี้เป็นพูดเรื่องของเราทุกคนก็เหมือนกันหมดทุกคนไม่เหมือนกันหมดถ้าเราหัดเหมือนกันหมดถ้าเราไม่หัดไม่เหมือนกัน ที่เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันความโกรธเหมือนกันความทุกข์เหมือนกันเกิดแจ่บเจ็บตายเหมือนกันย่าลองหัดความทุกข์ไม่เหมือนกันความเกิดความเจความเจยบความตายความหลงความโกรธไม่เหมือนกันคนละอย่างเราควรใส่ใจหัดตนสอนตนเตือนตน นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจมูได้ยิ <c oughs> นเสียงพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นไลลด้รสกายสัมผัสใจคิดนึกพอใจไม่พอใจนี่ก็ไม่เหมือนกัน บางชีวิตถ้าฝึกัดแล้วไม่มีในความพอใจไม่มีในความไม่พอใจเป็นธรรมถ้าเราพอใจในคนนี้ไม่พอใจในคนนั้นไม่เป็นธรรมเราอาจจะช่วยคนที่เราไม่พอใจอาจจะช่วยคนที่เราพอใจไม่เป็นธรรมเลยถ้าเราอยู่ตรงกลางช่วยทั้งสองคนคนที่ ไม่มีคนพ อ, พอใจไม่มีคนไม่พอใจถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก็เจ็บตายด้วยกันถ้าเขามีความไม่ดีก็สงสารเขาคิดช่วยเขาเดี๋ยวนี้คนเรามันถูกจริงเหล่านี่แบ่งแยกของพอใจความไม่พอใจมันเป็นลถของโลกเกิด เสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อเหลืองทื่นทืนทั่วประเทศถ้าใครเป็นเสื้อแดงเป็นพวกของเราถ้าใครเป็นเสื้อเหลืองเป็นพวกของเขามันก็เลยไม่เป็นธรรมอะไรที่คนเสื้อแดงทําก็ผิดอะไรคนเสื่อเหลืองเสื่ออะไรพอดนัดนดัดพักนี้ทาก็ผิดความเห็นไม่เหมือนกันแต่ความ ออกไปถึความไม่พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นความเห็นว่าไม่เป็นลายแต่ว่าการกระทำองไปที่มันซ้ำลงไปมันอันตรายเราจึงมาฝึกตนสอนตนเขาเจ้าก็สอนแล้วสอนหนักสอนหนามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เราถอนไหมเวลามันเกิดความพอใจไม่พอใจในภายนอกพอใจไม่พอใจในภายในเราจรเล่นสติพอใจในความสงบไม่พอใจในความไม่สงบเวลาไดมันุสัานไม่พอใจเกิดความมเครียดขึ้นมา มันไม่ใช่ว่าเริ่มต้องก็ปฏิบัติไปเลยไม่ใช่จะไปรอทำมาแล้วเท่านั้นไม่ค่อยได้ผลทำมาแล้วเท่านี้นไม่ค่อยได้ผลไม่ใช่แบบนั้นได้ผลคืออะไรได้ผลคือไม่เป็นอะไรก็อพอใจก็ไม่เป็นความไม่พอใจก็ไม่เป็น เห็นความเห็นความหลงเห็นความรู้เห็นความยากเห็นความง่ายอยู่ตรงเนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมผิดก็เห็นทุกก็เห็นทุก็เห็นทุกก็เห็นเนี่ยให้ทําให้เป็นตรงนี้ไม่ใช่จะได้ประโยชน์ตรงไหนรอวันนั่นรอวันนี้หนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีไม่ใช่ มันได้ผลแล้วถ้าเราไม่สติมาล้วความชั่วมันทําความดีจิตบริสุทธิ์แล้ว ป, จจปัจจุบันไม่ใช่รอคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดไม่จริงหาคำตอบจากความคิดไม่จริง มันตอบไปได้สมอไปความคิดไม่ใช่คันธศาสตร์แต่สิ่งที่ถูกต้องคือการทําลงไปมันเป็นโอกาสดีนาะทีทองเรามันหลงมีโอกาสดีนาะทีทองที่จะไม่หลงแต่ามันทุกมีโอกาสดีนาะทีทองที่จะไว้ทุก หา อ, อย่างที่เรามีโอกาสประสบความณ์ไม่บทเรียนนั้นบอกวันศรนใหควา ม, มาเที่ยงนะอย่ามาถือเราว่าตัวโต์ตัวนะใหความไม่ทุกข์นะอย่ามาถือเราว่าเป็นตัวของท่านมันเป็นอย่างนี้ค้ามัประกาศบอก นี่คือความเกีบความเจ็บ ค, ความตายความปวคขอคงโลกของหลงก็ตามไปก็จะเดือดร้อนวังสองก็ให้บันบอกจึงมามีสติการเพื่อคุ้มครองวิธีเจียมมองตนเลให้มันปลอดภัยหลังนี้มีเรื่องเดียวคือสติ งั้นเราเมตตาพาให้เรเดินทางเราเดินไปไหนมาไหนเมตตาพาไปเมตกายตามไปไม่จิตใจคือเราเดินทางมันก็เหนื่อยไม่ใช่เดินเฉยเฉยแดดก็แดดร้อนก็ร้อนปวดขาปวดขา เ, ดดเหนื่อยหิวน้ํากระหายน้ํา อันนั้นหมัยถึงเป็นปร้สั ก, การเดินทางคนเดินทางไม่ไม่คองแวะสิ่เหล่านั้นอ่านความล่อน่านความหน่วยผ่านความหิวอะไรต่างๆมันจึงถึ ง, ถงกุดหมายถ้าอะไรมันเกิดขึ้นไม่ไปมันก็ไปไม่ถึงไหน ผานทรงหลงผ่านทุกข์ผ่านโกรธผ่านโลภผ่านรีผ่านชั่วผ่านผิดผ่านโธผ่านยากผ่านง่ายไปเรื่อยๆต่อเพียงแรกอาจจะยากต่อไปจปง่ายนิดเดียวรเนี่ยวเดียว เช่นมันคิดปกะรากฏว่าดึงกับมากับมาหาการเคลื่อนไหวความคิดที่ได้ดึงกับมาเหมันกับยากทําไปทํามาก็ทางานไม่ได้ไว้ได้ดึงอะไรมันกลับมาเองไม่ต้องมากําหนดกายเคลื่อนไหวในความคิดมันก็มีความคิดจิตมันสอนจิตผิดมันส อ, อนผิดถูกมันสอนถูก สิงที่มันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกดยู่เช่นนั่นสิงที่มันถูกถก็ถูกอยูสม่างไรไปเช่นความโกรธเป็นสมมติมัญหัติไม่ถูกความไม่โกรธเป็นปา ร, รมัีสัจจะถูกไม่มีใครไปเอาอันสิ่ที่ผิดนะ่ะถ้าเราเห็นอยู่ผ่านก็นเราผ่านมาแท้ๆงา น, นเดียวกัน อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสัมผัสเต้าไม่คิดตอนที่ปฏิบัติเกิดนิมิตไหลขึ้นมาก็อย่าไปหลงมันจะต้องเห็นมันกันหมดเบากายเบาจิตมีความรู้มีความสงบปัจจติ อย่าไปหลงในความรู้อย่าไปหลงในความศกให้เห็นเหมือนกันต่อเห็นภาวะที่เห็นเป็นที่ตั้งเอาไว้เป็นการด่วนถ้าเป็นไม่ค่อยด่วนหวานเย็นใช่แล้วรถแม่ค้าต้องเห็นด่วนที่สุดเหมือนรถไปของกินด่วนที่สุดเลยสอง ร้อยห้าสิบกว่ามอต่อนึ่งเทองแต่เครื่องบินล่วนกระนั้นนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพถึงเมืองกินเดีย๋ยวตอนใต้สามชั่วโมงกว่านั่งรถจากกรุงเทพถึงสุขโทนเจ็ดชั่วโมง มันหวานแต่ถ้าด่วนมันไวกว่านี้แต่ตีเนี่ยพามาให้ไวมาให้ไวของยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาถ้ามีสติจริงๆสติปฐานกายก็ถอนได้เวทนาก็ถอนได้จิตก็ถอนได้ธรรมก็ถอนได้แต่ถ้าเราไม่หัดยาก เป็นด่านภูเขาขวางขันเรื่องหงอกกายก็เป็นตัวเป็นตนอยู่กี่พภกจีชาติเวทนาก็เป็นตัวเป็นตนอยู่กี่พภกจีชาติจิตก็เป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิดกี่พภกจีชาติการโศกปะทุกขวงคิดกี่ชาติเป็นความโกรธเพราะความคิดกี่ชาติความรักความจำเพราะความคิดกี่ชาติ ทำก็เหมือนกันลองมองเหอะหอ น, อนความลังเลศสงสยัยกี่ครัค้งไปบาดลาครั้งานะทีติกี่ครั้งอยู่ได้ดีมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาสาคัญเ่็นหมายาาาเราดีกว่าเขาเขาเล็วกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเรากี่ครั้งอยู่เฉยๆเปรียบเทียบขึ้นมา หรือว่าชาติอยู่ตรงนี้นับไปท่วนเกิดดับเกิดดับโกรธตั้งแต่ปิกายนี่เดี๋ยวนี้ยังโตรธอยู่ทุกตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังทุกอยู่มันกี่ครั้งแตไม่มีประโยชน์อะไรไก็ไม่โฉมก็ไม่ทุกบก็มีทําไมไม่ไม่ ไม่ฝึกตนสอนตนชลผัดอันนี้เรียกว่าผ่านก็ไม่ผ่านก็ไปไม่ถึงไหนการผ่านเป็นมักมักคือเป็นกลางระหว่างตาเห็นโลกไม่มีความพอใจไม่มีความไม่พอใจอยู่ตรงกลางบริสุทธิ์นี่คือพระพุทธเจ้า โร้ยเจ้ามีพกความไิ้ที่คุณแม่ตาที่คุณการุณังที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณถ้าจะเดินตามพระเจ้าต้องมีคุณแบบนี้อย่าไปพอใจไม่พอใจถ้ามาลองไปบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรียกลงไม่ใช่ลงทนุนสละ เสยสละเมตตาที่คนเกิด ข, ขึ้นแล้วต้องไว้แล้วคิดเฉ่นงใดทำเฉ่งใดผู้เฉีงใดไม่เมตตาออกได้เมื่อเมตตาเกิดขึ้นก็มีกุนาเข้าช่วยเหลือคิดจะช่วยเหลือแล้วก็ทำลงไปอะไรที่เป็นส่วนที่ทำให้หนักเป็นเบาทำ ต่เป็นอะไรก็ตามเดินไปในป่าเห็นย่างไม้หักทับต้นไม้เล็กๆก็ยกออกอะไรที่มันเบียดเบียนกันเราก็ขอความแม่นกลางไม่ให้เบียดเบียนกันเช่นแต่เห็นงูภาพเขียดอยู่ทาําไง แล้วจะให้งูมันชินเขียดหรืออ่างูมันก็หาอาหารมันก็ยินอาหารเอาทาไงจะเป็นกลางก็ไม่ไปเคียงคาบให้มัน่นยันให้แรงบอกเขียดยันล็อกบอกงูคาบให้มันม่นก็มนไม่ไปเยมทำก็ว่ากดีอันนี้เป็นกลางที่สุด ช่วยทั้งสองอย่างอ๋อเขลียเธอนะองูข้าไปแน่นอะเขียดใจมทยันให้แรงทำให้ไปเคลียมันก็เขียดก็ยันแรงหนูโอ้งูข้าไปมั่นทีแล้วเขียดลดเปล่าไปโอ้บอกว่าข้าไปมั่นยันได้แรงไงไม่ทันเขียดเลยเนาะอันหนึ่งเรานั่งเขียนนั่งสืออเยอะโต ให้สติงูงูคาบคาบว่าคาบว่าเขียดออกมาเลื่อยตามลอดขาเราไปเราไม่ได้ดูพวาจะดูหนังสือไอ้เห็นมันคาบเขียดเลยไม่พลอยไม่ไม่กวด่าเอาบอกคาบให้มันนะยันให้แรงนะ ถ้าเราไม่วยไปเคียโงโงร์งงงว่ากวางเคียกกร์ก็วิ่งเนี่ยโอ้ยว่าว่าขาบให้มันมันก็แสดงว่าเพิ่งความปิดของเธอนะใจเราก็ดีเป็นกลางเป็นกลางอะไรก็ตามลองทําเป็นกลางลองดวงสติพาให้เป็นกลางนักแท้แทะเห็นเลยพูดว่าเห็นอย่าเป็น กลางที่ฉุดมันสุกเห็นมันสุกจะเป็นผู้สุกมันทุกข์เขีนมันทุกข์จะเป็นผู้ทุกข์ น, นี่แหละคือตัวปฏิบัติตัวเคลื่อนย้ายตัวร่วงพ้นอะไรก็ตามพ้นได้ผ่านได้ศาสตรนี้ไม่ใชศาสตร์หนาเงลาวจักรละเสียงเสือนเยินหยอวิชรสิพวกพ้องมาวานเป็น เป็นชาธารณของการกระทาเพื่อความหลุดพ้นพ้นเล็กแตน้อยไปมันหลงพ้นความหลงมันทุกข์พ้นความทุกข์อสติเป็นพลังงานให้เราได้พ้นช่วยได้ยิ่งเรามีวิชากรรมฐานจงอ่อารุ้ปัจนากลับมาตั้งไว้ที่กายมีการกระทาที่นี้ วันะอะไรวันดึงไปก็กลับมาก่อนเราหัดหม่เอาฉ่นิมิตเป็นเครื่องหมายนั้นเด็กน้อยเอาเฉนิมิตเกาะเวลาจะหัดเดินหัดคลานพ่อแม่ช่วย ก็เดินได้อันนี้ก็หัดจับหัดเกาะไปก่อนหรือว่าวิชากรรมฐานลมหายใจบ้างอย่าเอาไว้ที่เดียวถ้าตั้งไวท้ทีเดียวมันมันพลาดได้ถ้าไปตั้งกะลมหายใจทําเป็นนานมาาันจับพ้าไม่ชัดเจนไม่รู้ก็มาเคลื่อนไหวตั้งตัวใหม่ ยืดไหนต้องตั้งตัวใหม่ทำไม่ตั้งตัวใหม่มันเก่าจะติให้มันใหม่มันจะมีพลังดัง้นเรานั่งไปนานๆหลังจากกรงขึ้นยืดตัวขึ้นหน้าอกท้นคอใบหนะ้าวางให้ดีๆให้มันองอาจงั้นเราอยู่แต่พอหน้าพระพักของพระเจ้าเวลาเราหลงก็ พระเจ้าอยู่เฉพาะห น, าหนาออ้านี้แล้วเวลาโกรธเราทุกข์พระเจ้าอยู่เฉพาะได้เรานี้แล้วพระเจ้าเคยหลงพระเจ้าไม่หลงเราต้องเอาอย่างพระเจ้าพระเจ้าเคยทุกข์พระเจ้าไม่ทุกข์พระเจ้าเคยคิดพระเจ้าประโยชน์คิดได้คิดถึงเปียบพาลาหนุนคิดถึงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเปรียบเทียบ กามากรเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดให้มียนี้ไม่เป็นทีตนนนท่ตั้งเป็นปัจจุบันถ้ามันมีปัจจุบันมีที่ตั้งมันก็ไหลไปข้างหน้าไหลคืเขินข้างหลงังโดยเพราะความคิดเนี่ยไม่มีสัญญามันติดมามีวิญญาณมันติดมาอะไยเรื่อง เหมือนคอมพิวเตอร์อยู่ในสมองมันเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้ <Yeah. S 1> เราให้ข้อมูลชีวิตเราไม่ค่อยเป็นแบบนี้คล้ายกับว่ามาให้ข้อมูลชีวิตเราใหม่ให้ข้อมูลใหม่ข้อมูลนั้นเก่าหรือออกก่อน <Yeah. S 1> เหมือนเราเอาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ดี เวลาเราจะให้คอมพิวเตอร์คนอื่นต้องเอาข้อมูลเขินไว้ก่อนตอนข้อมูลออกมาไว้ก่อนก็ให้เครื่องเขาให้เดือดจากเครื่องเป่าๆไปชีวิตเราก็เหมือนกันน่าปฏิบัติธรรมให้ข้อมูลมีความรู้ไปข้อมูลที่ดีที่สุด มันจะไม่หนีไปไหนไม่ใช่แบบจำเอาอันรูปจำมันลืมอันรูปที่เป็นการสัมผัสทุกเห็นนี่ไม่ลืมยิ่งเห็นรูปเห็นนามยิ่งไม่ลืมรูปมันจะบอกนามมันจะบอกจะหลงยังไงก็หลงไปได้อันรูปนี่ น, นามนี่ก็มังกันถ้าได้เห็นแล้วไม่มีเวลาลืมวันลืมถ้าเห็นรูปเห็นนามมีหลักฐาน ฟ้องได้พิภาคษาได้เห็นสมมติยิง่งฟ้องเลยปานีตสารธรรมนูลและธรรมนูลเลยจี้ขาดถ้าเห็นสมมติมมเป็นมัญญิเห็นปลลมัรสมมติคือความโกรธปลมัดความไม่โกรธ สมตมติความทุกข์ความสมมติความไม่ทุกข์ได้หมันเจงนะสมมุติบัญญัติแนวออกหน้าออกตามพอใจก็เป็นสมมุติบัญญัติไม่พอใจเป็นสมมติบัญญั ต, ติเอาวัตถุมาเป็นเครื่องสมมติเอาน้ำมาทําเป็นเครื่องสมมติอลมก็สมมุติเอ า, ว, า, เอาว่าชอบว่าไม่ชอบ ไม่เห็นอะไรก็บัญญัติว่าชอบไม่ชอบนอนอยู่ก็บัญญัติน่าให้ความคิดบัญญัติขึ้นมาจนนอนไม่หลับจนโกรธจนทุกข์กินไม่ได้บัญญัตินั่นแหละมันเก่งพ่ามาเห็นลร า, าลื้อถอนเห็นสมมุติบัญญัติเห็นวัตถุอาการเห็นปรมาตร์วันลื้อถอนพังออกพังออกพังออก เหมือนอยารักษาโรคสองตาเป็นโรคมะเร็งก็เหนื่อโตัวเร็วําคอก็ให้กีโมไปมันพังออกพังออกก็เหนื่อยุบลงยุบลงในตับก็ยุบลงพอมันยุบลงก็เอคันคันคอคันปอดคันตับ เขาบอกจารย์นตว่าคันคอคันที่ตับเหมือนคันไปไหนมันเก่าไม่ได้ไอ้ก็ไม่ไม่แผลมันดีมั้งถ้ามันอยู่ที่ขอแผลมันเหลืองมันดีหรือมั้งมันคันคันแบบนี้รงไม่เสียแรงหลอกจารย์นตคงจะหายล่ะก็เลยบอกได้มันพังออกอัน อาโลขยาวัลมาลาผ่าบรรพังคงความโลกบรรพังอกดูมันพังหลองตาบอกว่าเจ้เอ๋ดูมันพังมันชจบหาย <c oughs> ไม่ทำอะไรมั น, นก็แพ้ปราชัยไปเลยไายแพ้ไปเลยดูความภาคแพ้ของอาธรรมเมื่อเราไปเห็น <c oughs> เห็นความคิดเนี่ยไม่สติเห็นมันคิดเนี่ย มันตอนนี้เป็นการบรรลุธรรมนะเห็นจริงๆนะเนี่ยตอนเห็นรูปเป็นนามเป็นกระแสได้ทางได้ทางเหยียบเช่นทางได้โดยมั่นใจไม่เคยพื่เป็นเรื่องนี้นี่แหละทางรวมใจหลวงพ่อเทียนสอนให้เราได้รู้ธรรมะ เราก็ได้เห็นเรามีศรัทธามาแต่เดิมแต่ไม่เคยรู้ว่ามาทํานั้นนี่มันเกิดรูปขึ้นมาเห็นรูปทำน้ํามทำเห็นรูปทุกนําทุกเห็นรูปโลกนาโลกได้หลักได้ฐานกระตือรือร้นช่วยรูปช่วยนามแต่ก่อนไม่ค่อยช่วยรูปช่วยนามปล่อยให้เป็นทุกข์ไม่เคยช่วยเหลือ แม่เคยช่วยลูกกากกรรมเท่าไรน้กากระทุกไม่เคยช่วยพอม่เห็นล้วโอ้ยกระตือล้นช่วยดีใจไี้โอกาสช่วยลูกช่วยน้าช่วยกายช่วยใจช่วยในเฉงใดก็หลุดไปเฉงนั้นขยนขันกระตือลือ้น กระโจนใส่ปัญหาที่ไหนที่เกิดจากกายจากใจจากรูปจากน้ํากระโจนใส่ไม่กักขังลุยได้เอ่ยลองให้เกิดเป็นการหัวลราเอ่ยทุกข์เกิดเป็นกายเปิดเป็นกายไม่ทุกข์แล้วก็กระตือตรือ้นเนี่ยหอได้หลักได้ฐานนี่แหละนี่แหละนี่แหละเหมือนหมอ วิจิตรไฉโลกเห็นโลกหมอก็หมอก็ไม่หวังให้ยาการให้ยาก็เหมือนเหมือนกันแต่การเฉีงอยู่ที่วิจิตรไฉโลกแล้วตอนนอนอยู่ห้องไอยูยังไม่ีหมอมาบอกว่า อันก้อนเนื้อในตับเนี่ยรักษาได้ต้องให้จีโมทัวใหม่เข้าไปพระพเจ้าไปเฉลีวิธีการรักษาอินใดทั้งสิ้นให้จีโมโดยรูปด่วนเพื่อให้หลวงพ่อหายใจได้อันนี้หมอมาทางสารัดหมอทางไทยหมอคองอุรมศักหมอหลายคนก็แน่นอนที่สุด นี่มีอะไรอีกแล้วต้องมีเมีเท่านั้น <c oughs> นี่วินัยฉโลกก่อนนี่ปัญหาเรื่องการร่งใจแน่นอนต้องมีสติอะไรไม่ใช่รู้จักตัวเขาไว้มีสติปัญญาเป็นวิปัจจนาล่วงพ้นได้ขนส่งได้ศาสนานี่คือขนส่ง ส, สาสตร์ของกายหิวข้าวจิ้นข้าวขนสง่งพ้นจากความหิวศาสตร์ของกายมันร้อนอาบนา้ําขนส่งพ้นจากความร้อนใจนั้นก็เหมือนกันเปนการขนส่งหายเหมือนกันมันรักษาหายอมันความหลงเป็นครังสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขรั้งสุดท้ายความโกรธความโลภเป็นครั้งสุดท้ายได้ มันหายจริงๆนะโยนมาพระเจา้าวชาติสิ้นแล้วจบไปแล้วเป็นดินสุดเห็นโลกเห็นนามเห็นสมมติเห็นบ ญ, ญัติเห็นปรมัติเนี่ยจืดความโกรธความทุกข์ความโลกความหล ง, ลงลจืดไม่มีค่า ถ้าใจโกรธมันมขมเขินมากเหมือนเดียให้เราไปลุยคูดให้ไปลอยอยู่ในคูดไม่เหมือนสัตว์นรกนะสัตว์นรกมันทอใจลอยอยู่ในคูดเทพดาธะเขาไม่ไปแล้วผมพระอินทร์พระพมก็ไม่ไปแล้วแล้วล่อในฐานชาดก ได้ไหมเล่าแล้วเล่าอยู่ฟังไหมฮะมีเพื่อนสองคนนะรักกัอเพื่อนคนหนึ่งอก็เพื่อนสองคนชวนกันไปหาปลาแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งชวนกันไปฟังเทศสองคนชวนกันไปฟังเทศ ว่า น, นี่ยังมีเทศที่สุกโตแล้ว <c oughs> นี่ า, า <c oughs> นว่าหรื อ, อรเปล่ไปฟังเทศที่ไหนไม่ทราบนะเพื่อนสองคนชวนกันไปฟังเทศอ่าพอดีเพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารกินก็แม่ก็บอกว่าไม่มีอาหารให้ลูกลูกป่วยอป อาหารไม่โรคแกนแล้วก็เอเสียดายจะไปฟังเทศก็เลยไปไม่ได้เลยไปหาปลาหาปลามันก็ไม่ไกลไกลวัดเท่าไหร่เพื่อนคนที่ไปฟังเทศก็ไปฟังเทศไม่เห็นเพื่อนคนที่ไปหาปลาเลยถามว่าไปไหนไปหาปลาไม่โรคโรคไม่สบายแต่คนที่ไปฟังเทศ ยังส่วงคนที่ไปหาปลาโอ้ยป่านนี้เพื่อนกูคงจะจับปลาได้เยอะนะป่านนี้มันจับปลาได้เยอะนะอันคนที่ไปฟังเทพโอ้ยพ อ, ย อ, อ, อ ท, ที่ยันแสงกล้ อ, องก็สะธุสะธุไหนใจอ่อเขาตีอ่อเทศจบเที่ยบยายกก็ตีข้องห่วยห่ยสะธุอยู่ในน้ำ อันใจที่จะปลาไม่มีเลยคิดจะไปฟองเทศแต่เสียดายเสียดายแต่คนที่ไปฟังเทศคิดเพื่อนเพื่อนที่ไปจับปลาเสียเปียกเพื่อนแล้วไอ้นี่กูไม่ได้ปลาเลยคิดแต่นี่ไปเจเพื่อนนี่ก็ไอสชืก็ต้องไจากกันไปยังรักกันอยู่ <c oughs> อ๋ตอต้องไปเพื่อนที่ไปจับปลาได้เป็นเทวดาเชียว ใจน้อมไปเพื่อนที่ไปฟังเทศตกนรกเป็นหนอนเพื่อนที่เป็นเทวดาก็ยังคิดถึงเพื่อนถามหาเพื่อนเออไปอยู่ที่ไหนก็าหาไว้ในภพภูมิต่างๆพวกเทวดาพวกมาลายเขาลุยนรกหลุยสวรรค์เลยนะเช่นพระมาลายเนี่ยเยี่ยมสัตว์นรกเยี่ยมสวรรค์ เอาเรื่องนรกมาเล่าให้คนโลกเทวดาฟังเอาเรื่องเทวดาไปเล่าให้พวกนรกฟังเรียกว่าพมา่าลายผมไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกา <c oughs> เลยไปเห็นเป็นหนอนอยู่ในคโคดในช่วงพะไปเจอเขา อ, อะไรเรียกว่ arn, าเพื่อนนล้มามาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ด้วยกันนอนน่ะอยู่ในเมืองเทวดานอน่ะ ไอ้เพื่อนจะเป็นหนอนหรือเมืองเทพดามั น, มนดีอะไรไม่ต้องมอมุดอยู่คูดแบบนี้แล้มีอะไรกินล่ะโอ้ยมีเตาอาหารเทปกินอะไรก็มาเลยวัตถคิดคิดอยากอะไรก็มีให้กินวันนี้จะกินอะไรถ้าเมืองเทราเขาพูดกันว่าแต่มนุษย์เขาพูดว่าถ้าคนเขาพูดว่าวันนี้จะได้ไรกิน ว่ามันไม่มีอ่าไอ้คนคนที่เป็นนอนก็บอเทวเทวดามันดีอะไรเพื่อนก็เล่าเรื่องมันดีจะจะกินอะไรมีจะคิดอะไรก็ได้กินอ่ะไ อ, ะอะ้คนที่เป็นหนอนก็ บ, บอกโอ้ยจะคิดอยู่มันก็เสียเวลานี่ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาหล่นลงมากินม า, มาอยู่ตะเอ้าเมืองเทวด า, นานมีอะไรกินอย่างนี้หระ อันนี้มันไม่ใช่อาหารเ<า>ทปมันเป็นคูดเทวดามีคู่อย่างนี้กินไหมมันไม่มีโอ้ถ้ามีคู่อย่างไม่ไปหรอกอยู่นี่แหละดีที่สุดมันเอาเยอะก็เป็นอย่างนี้จ้ะเออหนู ก, ก็ติดนะ <c oughs> ไปห้ามคนโกรธ ด, ดู <c oughs> จี <c oughs> อยากโกรธแต่เพื่อนไม่โกรธไปได้ไม่โกรธก็เหมันหมาล่ะต่อใจได้ความโกรธโอ้ใจในความทุกข์ อูได้โกตายไม่ลิมนะป่านนั้นก็มีป่านนั้นก็มีนี่มันผูเหมือนต่ํามันก็ติดได้เพราะฉะนั้นเราจึงมาเห็นนั่นนะ่ามันลุยแหลกไปเลยเนี่ยเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการนะเห็นปัญหานี่ยเป็นปัญญาไปในตัวแล้ววันนี้นี่ปฏิบัติธรรมไปแบบนี้นะมันขนชงหลุดพ้นไปจริงๆวิมุตติหลุดพ้น ไม่ใ่ลาวตะกั่งละนะเสียงเฉินยีน่อจอมอชาติมันเป็นความหลดพ้นวันหนึ่งมันหนังพระเจ้าจะเลียบขีวดูก่อนี้สัว้งหลอยดูกว่าขี้สัต้องหลอยขี้สัวต้งหลอยมาออกที่สุดในพระสวดแล้วเจ้าก็ตือเร่รอนมาออกที่สุดหรอเอิ่เจ้ากันมาโหสัตตะกัลสาย สอนธรรมะคำๆำเย็นเย็นให้ อ, อว่ายเจ่าพิกษุรลวมกันดึกดึกตอบปัญหาเทวธรมรมก็ขุนหนังทั้งหลายตอนรางวันไม่เวลาตอนเย็นจะมากันเล้าแสดงตอบปัญหาเทวธรรมใกล้ลุ่งตรวจ ด, ดูว่าใครจะเป็นผู้ที่มีฟอฟังธรรมได้ มองหามองหาคนที่พอฟังธรรมคิดจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เสมอคนที่ไม่มีอะไรก็คิดจะช่วยแต่คนช่วยทุกอย่างนี่คือพระต้งเลยไม่เป็นของตัวเองทำแล้วเป็นสมบัติของโลกช่วยนี่พระเจ้าสี่พันวันษา อยู่ในสภาพแบบนี้เรากเราเนี่ยรรทําวัดเช้าทําเย็นปฏิบัติธรรมบูชาตามตา ม, ตามลองโดเหยียบเป็นรอยไว้ให้เป็นเป็นรอยชั่งหน่อยนะหัวใจเราเป็นตาไว้ชั่งหน่อยเคยรู้อย่างนี้เวลามันมีอะไรปัญหาเกิดขึ้นเคยรู้อย่างนี้มันจะมันจะมีพลัง เมื่อจนมาแม่นิดหน่อยก็ยังจะช่วยได้ถ้าน้อมใจไปน้อมใจอาจจะเป็นทางแปจะไปสอนกันเวลามันกู้ศึกเราสอนไม่ได้เพราะไม่หัดสติยามสงบเราจงเผกยามสึกเราลบได้เหมือนนักกีฬาก่อนที่เขาจะลงสนามก็ต้องหัดพอสมควรถ้านามของเราไม่แน่นอนตัวใจเจ็บตายทำยัางาน ต้องหัดไว้ก่อนเพื่อเป็นศาสตรเป็นศิลเป็นมากเป็นผลในเรื่องนี้แน่นอนไม่ใช่เรื่องอื่นก็ว่าทุกข์ด้วยไม่มีหรอกคือปันหาเรื่องทุกข์นี่แหละสําคัญทุกข์ก็หลังก็แล้วเกิดเจตจตานี่โจกพวกเราเ่ะเราพิพาทสาลีเห็ได้ ให้มันเหนือการเกิดแก่เจ็บตายขณะที่ชีวิตเรายังอยู่เนี่ยเีกว่าปฏิบัติธรรมเหยียบทางไว้ให้เห็นทางไว้เคยรู้เคยรู้แบบนี้ต่อไปป็นตีข้อเรียกคนป่วยในห้องอีกอยู่บางคนเรียกเท่าเลก็ไม่คืนพุดท้งจนนังกระชามิไม่รู้เรื่องหรอล่นอนหน้าปากสวอยพราะ ไม่ค่อยรู้เรื่องบกงก็พอสวดไปก็ประนมมือขึ้นมานอนประนมมือขึ้นมานางทีคนก็สํานึกขึ้นมานางทีไม่ล้าเจ็บล้าป่วยความคิดจิตใจก็ยังมีอะไรรุมโรมเข้ามากลายเป็นเจ็บปวดไปทั้งกายทั้งใจแย่ไปเลยถเราไม่สอนตนเราไม่มีที่ตั้งไม่มีที่พึ่งได้ หมดตัวไปเลยนะาวันนี้ก็เลยพูดท้ฝั่งกับทุกคนสมควรเจ้เวลากับพระพร้อมกัน